เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้รับฟังจากเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ได้ยืนยันว่าพบเห็นมาด้วยตัวเองโดยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้พบกับมนุษย์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งหน้าฉากเป็นคนใจบุญสุนทานนับถือพระพุทธศาสนาตักบาตร ท, ทาบุญทุกวันพูดจาปากหวานน่าคบหาแต่บังเอิญค่ะว่าได้เห็นพฤติกรรมของเธอผู้นั้น ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านของเขาที่ทำว่าเป็นผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็บันดาสัตว์ทั้งหลายถึงกับทำให้หมดความนับถือเพราะเห็นว่าจิตใจของเธอนั้นอ ม, มหิทธโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ครอบครัวของเขาซึ่งตามปกติก็ชอบพอกันพอสมควรก็พยายามตีตัวออกห่างเลิกคบหากันโดยปริยายเนื่องจากสาเหตุก็มาจากเรื่องนี้แหละนะคะ มีอยู่วันหนึ่งเขาตั้งใจว่าจะไปซื้อของที่ตลาดโดยขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะถนนที่จะไปตลาดนั้นเรียกว่าต้องผ่านสะพานปูนสูงเบื้องล่างเป็นลำห้วยซึ่งมีน้าลึกท่วมหัวนะคะแล้วก็ขณะที่ขี่รถข้ามสะพานก็ได้เหลือบเห็นเธอผู้นี้เพื่อนบ้านของเขาคนดังกล่าวที่ยืนอยู่ริมห้วยใกล้ๆกันก็มีเด็กผู้ชาย 3- สี่คนกาลังวิ่งไล่จับตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งมองไม่ถนัดจากบนขอบทางริมถนนซึ่งอยู่ไกลพอสมควรด้วยความสงสัยก็เลยต้องหยุดรถแล้วก็คอมเมนมองว่าเด็กพวกนั้นกําลังไล่จับอะไรกันแน่เพราะว่าในมือของเด็กคนนั้นเนี่ยมีถุงกระดาษที่เป็นถุงปูนซีเมนต์อยู่ประมาณหนึ่งใบนะคะพร้อมทั้งเชือกปอยาวประมาณว่ากว่ า, วาหนึ่งเส้นส่วนผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนยืนเท้าสเสเยวบงการอยู่ห่างๆยืนจ้องอยู่นานค่ะก็เลยเห็นชัดว่าเด็กพวกนั้นช่วยกันจับลูกแมวซึ่งมี ไม่ต่ำกว่า5ตัวใส่เข้าไปในถุงกระดาษจับได้ครบแล้วก็เอาเชือกผูกปากถุงปลายเชือกอีกข้างนึงก็ผูกติดกับก้อนหินขนาดใหญ่เท่านี้ก็พอจะเดาออกแล้วแหละนะคะว่าเด็กพวกนั้นกำลังจะช่วยกันจับลูกแมวถ่วงน้ำเขายืนมองอย่างพิ จ, จรารณาก่อนตัดสินใจไต่ลงจากไหล่ถนนสูงอย่างรีบร้อนตั้งใจว่าจะไปห้ามเพื่อขอชีวิตลูกแมวทั้งหมดไว้ ซึ่งอาจจะต้องเสียเงินให้กับพวกเด็กๆคนนี้เนี่ยประมาณสัก10บาท20บาทเธอก็ยอมเพื่อที่จะถ่ายชีวิตของพวกมันแต่คุณผู้ฟังคะพอไต่ลงจากที่ลาดชันถึงพื้นก็ได้ยินเสียงดังตู้มค่ะพวกเด็กๆโยนถุงใส่ลูกแมวพร้อมกับเชือกที่ผูกก้อนหินลงไปในห้วยแล้วก็มองเห็นแต่ว่าเป็นอ่าพายน้านะคะพุ่งปุดๆขึ้นมาแมวเนี่ยคงจะทรมานมากกว่าจะขาดใจตาย สอบถามเด็กเหล่านั้นว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้รู้หรือไม่ว่ามันบาปหนักฆ่าแมวตัวหนึ่งเนี่ยคนเขาเชื่อว่าเท่ากับฆ่าสั ม, มนเณรรูปหนึ่งเลยทีเดียวผู้หลักผู้ใหญ่ท่านว่าไว้แบบนี้เด็กพวกนั้นตอบพร้อมกับชี้บอกว่าก็นะคนนั้นแล้วก็ชี้ไปที่พี่สาวเพื่อนบ้านของเขาบอกว่าจ้างพวกผมสิบบาทเขาหันไปถามเธอผู้นั้นค่ะว่าทําไมต้องฆ่ามันด้วย ผู้หญิงคนนี้คุณผู้ฟังคนที่ชอบทําบุญสุนทานคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐตอบแบบหน้าตาเฉยโดยที่เธอคงจะลืมไปว่ามันเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นกับอีแค่ปลาทูสองตัวที่แมวมันขโมยกินก็น่าจะอภัยให้มันได้ใช่ว่าค่าแมวแล้วมันจะได้ปลาทูคืนมาก็หาไม่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแมวพวกนี้มันดือ้อมันขโมยกินปลาทูตั้งสองตัวมันตายซะได้ก็ดี ก็เลยต้องจ้างพวกเด็กๆมันว่าจะไม่มาดูแล้วก็กลัวเด็กๆมันจะไม่จับถ่วงน้ำจริงแล้วก็ต้องมาคอยควบคุมด้วยตัวเองที่เอามาถ่วงน้ำนี่พวกลูกๆมันหรอกนะตัวแม่มันเนี่ยฉันตีตายไปแล้วแมวอะไรตะกาตะกรามสิ้นดีพอรู้สาเหตุอนาสลดหดหูอย่างนั้นนะคะเขาก็เลยไต่ไหลถนนขึ้นมาถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้วยความกระปกกระเปียวเพลียแรงที่ไม่สามารถว่าจะช่วยชีวิตลูกแมวเหล่านั้นได้ทัน สลดใจในการกระทําอันโหดเหี้ยมของเธอผู้นั้นให้รู้สึกเกลียดขี้หน้าใหญ่คนนี้เข้ากระดูกดำนึกสา์แช่งอยู่ในใจว่าขอให้แกเนี่ยมีอันเป็นไปอย่าได้มีความสุขความเจริญอย่างผู้อื่นเขาตลอดชีวิตหลังจากวันนั้นที่ไปซื้อของที่ตลาดกลับถึงบ้านเขาก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังถึงเรื่องนี้ทุกคนพอได้ฟังก็เกิดความสลดใจค่ะแม่ของเขาถึงกับตบอกผางบอกว่าไม่น่าเลยนะ หน้าตาก็ดีครอบครัวก็ดีทำไมถึงโหดร้ายแบบไม่น่าเชื่อแบบนี้ตามปกติแล้วคุณผู้ฟังครอบครัวของเขากับเธอผู้นั้นมีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันสามีของเธอก็เป็นคนขับสิบล้อของบริษัทผลิตมั น, มนเม็ดมันเส้นแห่งหนึ่งในอมเภอเมื่อบันทุกเสร็จแล้วก็จะนำไปส่งตาไซโลต่างๆในเขตพระประแดงกรุงเทพหรือไม่ก็าหาดผาแดงที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะ ผู้เป็นแม่บอกกับเขาแล้วก็ลูกๆว่าทุกคนต่อไปนี้เนี่ยพยายามห่างผู้หญิงคนนี้ไว้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยปราศจากความเมตตากรุณาไม่อยากให้คบค้าสมาคมด้วยจากนั้นมาอีกประมาณหนึ่งปีค่ะคุณผู้ฟังครอบครัวของเพื่อนผู้เล่าเรื่องนี้ให้เราได้ฟังนะคะเขาก็ได้ย้ายมาอยู่อีกแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่ไกลาจากที่ที่แกอยู่เก่านะ ก, ก น, นะคะก็ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งทันเมื่อครบกาหนดคลอด ผู้เป็นแม่ก็ปวดท้องทรมานอยู่ถึงสามวันสามคืนจึงคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายค่ะแต่ว่าศีรษะกระหม่อมนี้ไม่มีเหมือนเด็กคนอื่นๆเห็นแต่เยื่อหุ้มสมองเต้นตุบๆอยู่มีน้ำไหลออกมาทางปากทางจมูกอยู่ตลอดเวลาทำให้เด็กหายใจไม่สะดวกทั้งไอทั้งสำลักอยู่ตลอดเวลาสภาพเหมือนคนตกน้ำ น, นะคะ พ่อเด็กก็พาไปโรงพยาบาลหมอบอกเด็กคนนี้เนี่ยเป็นโรคน้ําท่วมปอดหมดโอกาสที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้ได้เพราะว่าเด็กยังเล็กมากในที่สุดเด็กก็เสียชีวิตแล้วก็ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยดิ้นทุรนทุรายค่ะศีษะเด็กสั่นระริกระริกแบบเดียว ก, กันกับแมวที่ถูกตีอย่างไรอย่างนั้นพ่อของเด็กเสียใจอย่างรุนแรงที่ต้องเสียลูกไปซึ่งเป็นลูกคนแรกแล้วก็เป็นคนหัวปีซะด้วยจึงหันมาดื่มเหล้าเพื่อดับความกลุ่มใจ บางครั้งต้องขับรถบรรทุกมันล่องกรุงเทพไหนจะดื่มเหล้ากินยาทันใจลิโพยาบ้ายาม้าพร้อมทั้งบุหรีแถมเป็นรายการสุดท้ายด้วยนะคะยาเสพติดพวกนี้ใครๆก็ทราบดีว่ามันมีอันตรายอย่างมหาหันเมื่อเวลาม้าตายเป็นศั์ของคนขับรถสิบล้อนะคะหมายความว่าเมื่อยาบ้าหมดฤทธิ์หรือว่าม้าตายผู้ที่กินเข้าไปนี่จะมีอาการเสื่อมซึมหลับน แต่ว่าเขาก็ยังต้องแข็งใจขับรถต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่อ น, นิจาค่ะเขาหลับในซะแล้วเพียงชั่วพริบตาเดียวรถที่เขาขับตามเส้นทางเพื่อมุ่งไปที่หาดผาแดงจังหวัดชนบุรีก็ได้พุ่งเข้าชนประสานงากันกับรถบรรทุกสิบล้ออีกคันหนึ่งเสียงดังราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกๆทั้งคนขับแล้วก็เด็กท้ายรถทั้งสองคันตายเรียบเลยรวมทั้งสามีของเธอผู้นั้นด้วยนะคะ เป็นจังหวะ ด, ดีสําหรับสามีใหม่ของเธอซึ่งอ้างว่าเสียใจที่ลูกตายวันนั้นทั้งวันก็เลยหยุดงานตัดผมพาพักพวกแล้วก็บรรดาขี้เหล้าเนี่ยมาดื่มกันที่บ้านเป็นการฉลองที่ลูกตายนะคะมิยายที่เมียจะห้ามว่าพอสักทีดื่มมามากแล้วข้าวปลาอาหารก็ไม่ตกถึงท้องมีแต่ดื่มกับดื่มพอพูดขาดคําค่ะบรรดาพวกเพื่อนๆค อ, อเหล้าเฉลยจะนึกเกรงใจเมียเจ้าของบ้านก็เลยชักชวนกันไปกินต่อในตลาด ต่อมาอีกสองวันหลังจากที่สามีช่างตัดผมของเธอผู้นั้นไปดื่มเหล้ากับพักพวกเขาก็ยังไม่กลับเข้าบ้านเข้าช่องผู้เป็นเมียก็ออกติดตามสอบถามตามบ้านเพื่อนฝูงชุดที่มากินเหล้ากันในวันนั้นทุกคนก็ยืนยันบอกว่าเขาบอกว่าจะกลับบ้านนะเพราะรู้สึกตัวว่าเมามากแต่ก็น่าแปลกที่ทำไมเขาไม่กลับบ้านเอแล้วเขาหายไปไหนกันพอวันรุ่งเช้าเป็นวันที่สาม จากวันที่เขาล่องหนหายตัวไปคนที่เป็นเมียของเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องเ อ, อะอะโวยวายกันที่ริมห้วยแล้วก็บนสะพานบอกว่าคนตกน้ำตายช่วยด้วยนะคะเป็นสามีของผู้หญิงคนนี้นี่เองค่ะซึ่งเป็นสามีใหม่นะคะไม่มีใครทราบว่าเพราะเหตุใดเขาถึงต้องพลัดตกลงไปในห้วยที่น่าประหลาดก็คือมันเป็นที่แห่งเดียวกันกับที่เมียของเขาจ้างเด็กนะคะเอาลูกแมวมาถ่วงน้า ศพของเขาลอยอืดส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนหลังจากเธอนำศพไปเผาเรียบร้อยความสะเทือนใจในสิ่งต่างๆที่สามีของเธอทั้งสองคนเนี่ยต้องมาตายในลักษณะตายหง ลูกสองคนออกมาชมโลกได้ไม่ถึง24ชั่วโมงทั้งสองคนก็ตายเหมือนกันทําให้เธอผู้นั้นเสียใจอย่างสุดซึ้งในที่สุดค่ะเธอก็เลยกลายเป็นคนสติวิปลาดไปอย่างช่วยไม่ได้ทุกวันนี้เธอผู้นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในแบบของคนไม่สมประกอบเธอจะสํานึกได้หรือไม่ว่ากรรมที่เธอได้กระทําไว้นั้นมันส่งผลให้เห็นทันตาในชาตินี้โดยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของกรรมที่ตามทันนะคะในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่โยนแมวลงน้ําแล้วก็ตีแม่แมวเนี่ยจนตายเลยนะคะพอลูกคลอดออกมาก็เสียชีวิตทั้งสองคนสามีเก่าก็ตายสามีใหม่ก็ตายจนสุดท้ายเองเนี่ยเธอก็ต้องกลายเป็นคนสติวิปลาดกันไปนะคะ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องขอ่าเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจแก่คุณผู้ฟังทั้งหลายต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อ30ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยที่ผู้กว้างขวางมีอยู่มากหน้าหลายตาค่ะแต่ว่าในที่สุดก็ได้รับกรรมไปตามๆกันแล้วก็ไปตามกฎแห่งกรรมนะคะมีดังแล้วก็ต้องย่อมมีดับไม่มีอะไรจะอยู่ค้้ฟ้าได้เกยียรติยศชื่อเสียงความสุขความทุกข์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสิ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเลยทหารกล้าคนหนึ่งเขาชื่อว่าจานรงค์ค่ะมีชีวิตที่กรมอยู่กับปืนในป่าดงพงพรยอย่างทระหดอดทนเป็นที่สุดเขาผ่านการต่อสู้ชนิดต่างๆมากมายและไม่เคยแพ้ ความตรากตรำของชีวิตนานนับสิบปีนั้นทำให้เขาแข็งแกร่งทั้งจิตใจและก็ร่างกายแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยใจคอดีนะคะมีคุณธรรมและก็ซื่อตรงมากแต่เขาจะผิดหรือถูกท่านลองฟังเรื่องราวของเขาต่อไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณดูเองก็แล้วกันนะคะ เมื่อคนดังมีมากผู้กว้างขวางเต็มเมืองเวลานั้นเขาก็ได้เข้าร่วมมือกับตำรวจอย่างไม่หวั่นเกรงอิทธิพลผู้ใดโดยปราบเหล่าอธรรมสิ้นชื่อไปหลายคนนะคะแม้การกระทําเยี่ยงนี้เขาจะถูกเหล่าร้ายห้ามหันอย่างหนักแต่ว่าเขาก็ฆ่าคนตายไปมากเลยทีเดียวค่ะเช่นบางคนถูกฟันคอจนเกือบขาดเลยก็มี แต่ตัวของเขาเองก็ไม่ได้หวั่นไหวยังคงยืนหยัดเข้ารับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจเขาไม่เคยทำคนดีแต่เขาก็ต้องโหดกับคนชั่วอย่างทารุณที่สุดเช่นกันเพราะถือว่าชีวิตต่อชีวิตถ้าเขาแพ้เขาก็ต้องตายนะคะก็เลยต้องเหี้ยมให้เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่เคยทำร้ายคนมือเปล่าไม่ลอบกัดข้างหลังแล้วก็เล่นเอาซึ่งซึ่งหน้าเลยกระทือบอีกฝ่ายหนึ่งให้จมดิน ทั้งเตะทั้งต่อยโชคตีทุกวิถีทางเอาจนกระอักเลือดจนลุกไม่ขึ้นนั่นแหละค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงสยบเงียบหายไปจากความชั่วร้ายหายไปนานไม่กล้าโผล่ามากวนเมืองอีกต่อไปนะคะด้วยว่าครั้งเกรงในความเก่งกล้าเอาตายของจ่านรงซึ่งเขาก็เคยสู้มือเปล่ากับอีกฝ่ายที่มีมีดคมกริบอยู่ในมือแล้วก็แข็งแกร่งปานกัน จ้วงแทงเขาอย่างไม่ปราณีอย่างมันมือทำให้เขาต้องต่อสู้อย่างทรหดที่สุดเขาโค่นศัตรูจนล้มลงค่ะมืออีกข้างที่ถือมีดก็คอยจ้วงแทงเขาอยู่นั้นก็ถูกกระเทืบด้วยท็อปบูทของทหารจนมือนั้นแหลกย่อยยับลงกับดินนอนดิ้นเร่าเร่าร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอย่างสุดแสนสาหัสนะคะ ตัวของจ่าณรงเองนะคะก็ได้ปราบเหล่าร้ายฝ่ายอธรรมจนชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแก่กรมตํารวจค่ะในเวลานั้นซึ่งเป็นเวลาที่บ้านเมืองชุกชุมไปด้วยผู้กว้างขวางแล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลมืดสามารถจะสั่งฆ่าใครก็ได้แต่ว่าเขาก็ได้สร้างความสุขให้กับสังคมแล้วก็บ้านเมืองขึ้นมาแล้วนะคะ ทั้งๆ ท, ที่จาาณรงค์ก็เป็นคนดีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยโดยเรื่องใดๆแต่ว่าผลกรรมก็ย่อมมีอยู่ค่ะก็เลยเป็นความดีที่ตั้งอยู่บนความชั่วนั่นเองซึ่งเขากระทําการที่ผิดบาปในศีลข้อหนึ่งกรรมนั้นก็เลยต้องตามสนองนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามค่ะความดีที่ทําก็ไม่สูญเปล่ายังได้ติดตามปกป้องคุ้มครองคอยช่วยเหลือเข้าไว้ไม่ให้ถึงซึ่งชีวิต เมื่อห้าปีที่ผ่านมาจ่านารงค์ซึ่งลาออกจากราชการทหารแล้วก็ได้ไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะในตำแหน่งคนขับรถแท็กเตอร์ซึ่งก็เป็นงานหนักเหมือนกันแต่ว่าเงินเดือนแพงค่ะทุกสัปดาห์เขาก็จะต้องเอารถออกล้างแก้กเครื่องซ่อมเป็นประจำเพราะว่าเขาเป็นเคยเป็นทหารช่างมาก่อนก็เลยชำนาญในการนี้ทุกอย่างทาให้เขาเป็นที่พอใจกับนายฝรั่งมากๆนะคะ ในโรงเก็บรถอันกว้างใหญ่โตนั้นย่อมเต็มไปด้วยน้ำมันจากการซ่อมรถแก้เครื่องอยู่ตลอดเวลาที่พื้นก็เลยมีแต่น้ำมันไปทั่วบริเวณอันกว้างใหญ่นั้นน่าแปลกไหมคะคุณผู้ฟังทางที่ตัวของจานาโรงเองเนี่ก็ชำนาญในหน้าที่เป็นอย่างดีมายาวนานแต่ว่าหลายครั้งค่ะที่เขาเองก็เอาค้อนหนักสิบสองปอนตีลงไปโดนตีนตะขาบของรถแท็กเตอร์นะคะเพื่อที่จะล้างเครื่องหรือว่าแก้เครื่องนั้นค่ะ ซึ่งคอนหนัก12ปอนด์นั้นก็จะตีลงไปบนนิ้วหัวแม่มือของเขาโดยแรงทุกทีเป็นอยู่เช่นนี้หลายครั้งนิ้วหัวแม่มือของเขาแหลกแล้วแหลกอีกจนแทบจะไม่เป็นนิ้วคนอยู่แล้วเขาก็ต้องพันผ้าก๊อตไว้ตลอดเวลาในขณะทํางานแน่นอนนะฮะว่าผ้าก๊อตนั้นก็ย่อมจะต้องโชกไปด้วยน้ํามันจากการทํางานและแล้วค่ะเวรกรรมนั้นก็มาถึงซึ่งสุดแสนร้ายกาศเพียงใดคุณผู้ฟังต้องพิจารณาเองตามภาพนะคะ ช่วขณะหนึ่งหลังจากที่เขาวางมือจากงานแล้วก็นั่งลงนะาะเพื่อสูบบุหรี่ทันใดนั้นด้วยอำนาจของเคราะหกรรมหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบลมก็ได้พัดกันโชกแรงมาวูบหนึ่งค่ะ แล้วก็จากวูบเดียวนั้นที่ทำให้ไฟจากบุหรีเนี่ยกระเด็นไปตกลงบนผ้าก๊อตชุ่มน้ำมันที่พันมืออยู่แล้วก็ไฟก็ได้ลุกพลึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วสุดวิสัยที่เขาหรือว่าใครจะดับได้ไฟก็ได้ไหมลามไปถึงมือเขาอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะเพื่อนก็ประมาณ78คนนี่นะคะก็ได้วิ่งเข้ามา แต่ว่าทุกคนค่ะล้วนมีมือแล้วก็เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยน้ํามันด้วยกันทั้งนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยพื้นก็นองไปด้วยน้ํามันเขาก็ต้องกัดฟันนั่งชูมือคอยปัดให้แขนเสื้อเนี่ยตกลงคนแขนจะได้ไม่เป็นเชื้อเพลิงเผาตัวเองทั้งเป็นในขั้นตอนต่อไปเพราะว่ามือข้างที่เหลือของเขาก็เปื้อนน้ามันซึ่งจะนําไปช่วยเหลืออีกข้างหนึ่งก็ทําไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะคะ ด้วยความทรหดอดทนของเขามีเท่าไรเขาก็ได้นำออกมาใช้จนหมดในการช่วยเหลือตัวเองในครั้งนี้อย่างสุดชีวิตเพราะว่าใจของเขานี่เหมือนจะดับดิ้นได้อยู่ทุกขณะด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนร้ายกาดนั้นหลายคนร้องให้ส่งสารเขาค่ะทุกคนก็ยืนดูอยู่อย่างเจ็บช้ำที่ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนฝูงก็รีบอุ้มเขาส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลประจาประเทศ หมอก็ได้ทำต่อคนไข้อย่างไม่ปราณีปรสาสัยตามแบบฉบับของเขาโดยก็ใช้เหล็กเครื่องมือแพทย์ขูดแล้วก็รูดเอาเศษเนื้อที่เหลือติดอยู่ออกให้หมดเพื่อล้างแผลแล้วก็ใส่ยาเล่นทำเอาคนไข้นี่แทบจะขาดใจตายตามไปทุกครั้งค่ะ นายจ้างของเขาก็สุดที่จะทนดูต่อไปได้ก็เลยต้องพาตัวเองออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ได้พาไปรักษาตัวข้างนอกโดยใช้ยาแผนโบราณที่พวกเดียวกันให้มารักษาอาการของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะถึงเพียงนี้แล้วยังไม่หน่ำซ้ำในสองสัปดาห์ต่อมาคุณผู้ฟังแขนข้างเดียวที่เหลืออยู่ของเขาค่ะซึ่งใช้งานได้แล้วเขาก็ต้องอาศัยแขนข้างเดียวนี้ช่วยตัวเองเล็กน้อยให้ได้อยู่นั้น ก็บังเอิญค่ะว่าไปถูกประตูเหล็กกระแทกตีเข้าโดยแรงได้รับความเจ็บปวดจนใช้งานไม่ได้อีกเลยเขาก็ต้องได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งเขานอนแขว่งแขมอยู่นะคะคิดหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่ก็ยังนึกปลอบใจตัวเองอยู่นะว่าเออช่างเถอะเราหมดสิ้นแขนและมือละแต่ว่าเราก็ยังมีร่างกายยังมีตัวตนเหลืออยู่ชีวิตไม่สิ้นก็ดีแล้ว แต่คุณผู้ฟังเคราะห์กรรมเขายังไม่ได้จบสิ้นอยู่แค่นี้ค่ะยูๆูขาทั้งสองข้างของเขาตั้งแต่ปลายเท้าลงไปจนถึงโคนขาเกิดบวมเป่งขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุในสองสัปดาห์ที่นั่นนะคะเขาก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นสาหัสยิ่งอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วคะ่ะในร่างกายนี้มันทำให้เขาขยับขยื่นลุกขึ้นไม่ได้อีกแล้ว ตลอดเวลา2เดือนที่เขานอนป่วยอยู่นั้นมันก็ทำให้เขาไม่ได้หลับแล้วก็ไม่ได้นอนเลยเพราะว่าความเจ็บปวดรวดร้าวที่เหลือจะทนทรมานแต่ว่าความที่เป็นคนดีค่ะมีเจ้านายพอใจแล้วก็เห็นเขาเจ็บในหน้าที่นายฝรั่งคนนี้เนี่ยก็เลยต้องช่วยเหลือเขาตีราคาค่าเสียหายนิ้วมือให้เขา5้านิ้วคิดเป็นเงินไทย ,0,000 บาทแต่กมก็บันดาลอีกไม่ยอมค่ะกมยังไงก็ไม่ยอม ไม่ยอมให้เขามีความสุขจากเงินที่ได้ทำหน้าที่เข้าขัดขวางทันทีเมื่อเงินที่นายจ้างอนุมัติจากทางการตกมาค่ะแล้วก็ให้เขาไปรับในวันที่18นั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทางรัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำการขับไล่พวกฝรั่งออกจากเมืองและยึดทรัพย์สินทั้งหมดไว้เป็นสมบัติของรัฐต่อไป เขาก็แทบจะล้มทั้งยืนค่ะความหวังสลายไปหมดสิ้นภายในชั่วพริบตาเดียวหรือเพียงชั่ววันเดียวเท่านั้นเองทำไมเหตุการณ์นี้ถึงไม่เกิดขึ้นให้ช้าลงไปอีกแค่วันเดียวทำไมต้องเกิดแบบนี้เขาก็ได้แต่คิดอยู่ในใจอย่างรันทดนะคะจานนรงค์ได้รับกรรมแล้วอย่างแสนสาหัสยิ่งค่ะแล้วก็ยังมีของแถมติดมือมาด้วยอย่างมากมายจากการกระทาของเขาเมื่อ30ปีก่อนโน้น แต่ด้วยกรรมดีอันเป็นอุปนิสัยติดตัวของเขาก็ได้เข้ามาทำหน้าที่คุ้มครองเข้าแล้วเช่นกันเพราะว่าระยะเวลาต่อมาเขาได้รอดพ้นและก็ผ่านช่วงชีวิตนั้นมาด้วยดีนะคะแล้วก็กลับฟื้นคืนทุกส่วนที่ร่างกายเสียไปให้กลับมาเหมือนเดิมได้อย่างสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะงเงากรรมเมื่อหึงมายิ่งนักและจะติดตามเราอยู่เหมือนเงาตามตัวหรือดุดหมาไล่เนื้อที่มีกาลังแรงวิ่งไล่กวดเราอยู่ตลอดเวลา ทันเมื่อไหร่เป็นต้องตะครุบกัดกินเราทันทีเมื่อนั้นเช่นกันนะคะหมดเวลาของบีในวันนี้แล้วล่ะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมคุณผู้ฟังคะ่ะถ้าหากว่าอยากจะร่วมทำบุญด้วยกันรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนมนุษย์ ทุกๆคนนะคะและตัวของบีเองก็ขออนุโมทนาบุญเหล่านี้ที่บีได้กระทมในการเล่าเรื่องของกฎแห่งกรรมให้กับคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท, ท่านได้รับฟังและอย่าลืมกดติดตามหรือว่า Subscribe ช่องพระเจอผีแล้วก็ชแ e l พระเจอผีของเราด้วยนะคะหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปในวันนี้กราบขออภัยมาณที่นี้ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้แล้วก็กดถูกใจที่แฟนเ page จ Facebook นะคะพระเจอผีได้ กลับมาติดตามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ